ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมประสิ น, นทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ฟังก็บอกว่าให้ช่วยอธิบายคําตอบพระพุทธดํารัสตอบของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดสักหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นธรรมที่ดีเป็นอาระวะาจยัก ถามว่าอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้ภาภาพระพุทธเจ้าก็จัดตอบว่าศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้นี่ผมจะขยายความไปนิดหนึ่งนะครับทีละทีละข้อศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้คนเรานี่นะครับก็จะ มีสิ่งที่ปลื้มใจหลายอย่างบางคนก็ปลื้มด้วยศัพท์บางคนก็ปลื้มด้วยจดบางคนก็ด้วยเกียรติชื่อเสียงบางคนก็ด้วยบุตรธัญญาหรือสามีหรือมิตรสหายบางคนก็ด้วยหลานบอกว่าลองมีหลานดูสิคนที่ยังไม่มีหลานคนที่มีหลานแล้วก็บอกว่าลองมีหลานดูสิแล้วชรรักหลาน จะรู้ว่ามันให้ความสุขอย่างไรเราก็ปลื้มกับหลานอก็คนแก่ครับเหงาไม่รู้จะเล่นกับอะไรเล่นกับใครก็มีหลานให้มาเล่นเป็นของเล่น <c oughs> ลบางคนก็รําคาญบอกว่าเลี้ยงลูกมาพอแล้วอหลานไม่เอาจะฟังทำฟังทำจะอยู่กับธรรมะไม่เอาละะบางคนก็เป็นอย่างนี้ ในนี้บางคนด้วยรูปสมบัติบางคนก็ด้วยตาสมบัติเป็นต้นนะครับเอาสุดแล้วแต่ใครจําสิ่งใดเป็นที่ปรับรืมใจแต่สิ่งที่นํามาซึ่งความปรืมเหล่านั้นวันหนึ่งอาจจะนําทุกมาให้แก่เสาอย่างมากมากพอๆกับที่ทำให้เราปรืมก็ได้ขอให้เช็คดูให้ดี เจ็ดูให้ดีสำรวจดูให้ดีนึกดูให้ดีทำความเข้าใจให้ดีมีโยนิสโสมนสิการให้ดีเราก็จะเห็นความจริงข้อนี้ครับเทวดามาทูตพระพุทธเจ้าคนมีโคก็บันเทิงเพราะโคมีลูกก็บันเทิงเพราะลูกพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่ามีลูกก็เศร้าโศกเพราะลูกมีโคก็เศร้าโศกเพราะโค เทวดาบอกว่าคนไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าก็จัดว่าคนก็เดือดร้อนเพราะอุปธิคือกิเลสนั่นแหละนี่เขาเรียกว่ามองกันคนละแง่มองกันคนละระดับคนละระดับจนถึงเทวดาเทวดามันก็ยังคล่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็เพลิดเพลินอยู่ แต่ขอให้เราระลึกไว้เสมอว่าในโลกียวิสัยนั้นสิ่งใดให้ความสุขให้ความสุขให้ความชื่นใจแก่เราได้สิ่งนั้นก็จะให้ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานความระทมใจแก่เราได้เช่นเดียวกันก็บางทีใจของเราเองนะครับที่ไปผูกพันกับสิ่งนั้นเข้านั่นแหละมันทำอันตรายกับตัวเราเองเพราะว่าสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่า ใ น, นเรื่องของความจริงนะครับพูดความจริงแต่ว่าใครจะทาได้แค่ไหนยางไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อินทร์สุดแล้วแต่อินทร์แต่ที่นี้ศรัทธาที่บุคคลตั้งไว้ดีแล้วในพระศัสดาหรือในพระธรรมหรือในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบก็ไม่เคยสร้างความเจ็บปวดก็ไม่เคยทาให้ผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระศัสดาในพระธรรม แต่สำหรับในพระสงฆ์นั้นมีวงเล็บอยู่ว่าผู้ปฏิบัติชอบนี่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ชอบก็ทําให้เจ็บปวดเหมือนกันทำํำเจ็บปวดเหมือนกันถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรตามสังฆคุณนะครับก็ไม่สร้างความเจ็บปวดไม่เคยทําความผิดหวงัง มีแต่ทําให้เกิดศรัทธาแล้วก็ความปลื้มใจเพิ่มพูนขึ้นลองนึกดูก็ได้ครับก็มีพระสงฆ์บางรูปที่เรานึกขึ้นนึกถึงท่านแล้วก็ปลื้มใจศรัทธาในตัวท่านพอนึกถึงท่านแล้วก็ปลื้มใจได้พูดถึงท่านก็ปลื้มใจได้ชมเชยท่านก็ปลื้มใจแต่ถ้าพอนึกถึงพระสงฆ์ที่ไม่ดีแล้วก็มันหอเหี่ยวมันโทดค ต, ตัวอย่างเช่นว่าเราศรัทธาในความดี ในเรื่องกรรมและผลของกรรมก็โปรงใจได้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทำดีทำชั่วอย่างไรก็อย่อมได้รับผลในกรรมดีกรรมชั่วของตนความคิดอย่างนี้ทำให้ไม่ริษยาใครไม่เกลียดจังใครเพราะว่าจิตใจมีหลักยึดไม่เลื่อนลอยเควงคว้าง เราปลื้มใจอยู่ด้วยการประกอบกรรมดีเป็นสเสบียงช่วยเหลือตนในการเดินทางในสังสารวัตรมันยาวนานอันนี้คือเครื่องศรัท ธ, ธานะครับศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันปิดเผยทีนี้ลักษณะของผู้มีศรัท ธ, ธาก็เราจะทราบได้ตามไนายะพระพุทธพจน์ที่ว่าลัชนิกาโมสีวัตตังสัตธรร ม, มังโสทุมิเชติ เวนยาเชรมาลังกเวสัทโททิพุชตีแปลว่าผู้ใดให้เห็นผู้มีสิทธิปรารถนาจะฟังธรรมของท่านผู้มีสิทธินำมนตรีหรือความเจริญออกหรือว่ากรรมจัดความเจริญเสียไดย้เราเรียกบุกคคลเช่นนั้นว่าเป็นผู้มีศรัทาอันนี้คือข้อความที่พระพุทธเจ้าัปรากฏในพระเถริโตกล่มยี่สิบข้อสี่ร้อยแปดสิเ็ด ใครเห็นผู้มีศีลตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีศรัทธาจึงไม่ปรัถนาจะพบปะผู้มีศีลแล้วก็ประการที่สองใครฟังศัตยธรรมก็คือธรรมของสัตว์ปรุษธรรมของคนดีถ้าคนไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากฟังแลวก็ประการที่สามปฏิปจจกความสนีหได้เห็นผู้มีศีลแล้วก็ชุ่มชื่นใจ แม้ไม่ได้เห็นเพียงได้ฟังกิตติศัพ์ก็สบายใจมีปิติดามุดใครฟังธรรมของผู้มีศีลอยู่เสมอไม่อิ่มไม่เลือ่อจิตใจก็ปราศจากความสนีเแนวแน่นตรงกับที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่ามุตจะจากโคปยะตะปานิวสัคาระโตยาชจะโยโคธานสังวิภาคาระโต แปลว่าเสียสละเสียสละยังไม่เสียดายมีมือที่ชุ่มอยู่ด้วยน้ำเพือเตรียมจะให้เตรียมที่จะเมื่อก่อนนี้เขาให้เขาต้องล้างมือเขาเขาให้ด้วยมือหยิบด้วยมือแล้วก็ทํามือให้สะอาดแล้วก็หยิบให้แปลว่ามีมือชุ่มอยู่ด้วยน้ำํำภาษาบาลีใช้คำว่าปยาตะปาณิมีมือที่ชุ่มอยู่ด้วยน้ํา คือว่าเตรียมที่จะให้ล้างมือให้สะอาดหยิบด้มือเวลานี้ก็เห็นทางทางภาคอีสานเขาใส่บาตด้วยข้าเหนียวด้วยข้าวเหนียวใส่บาตด้วยขา้าวเหนียวเขาก็หยิบเอามือมีมีขันน้ําแล้วก็ห ย, ยิบใส่บาตหยิบใส่บาตรแ้ก็ล้างมือแล้วก็หยิบใส่บาดตรยินดีในการละเป็นผู้ควรแก่กันขออันนี้ใช้คาว่าอยาใจโยโควรแก่กันขอข ว่าพอขอได้พอขอได้ไม่ใช่ขอไม่ได้ยินดีในการจําแนกแจกทานทีนี้หากว่ายังไม่ได้บริจาค ก, ก็เพราะยังไม่มีผู้รับหรือไม่มีพยธรรมเท่านั้นแ้หากพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำทันทีผู้มีศรัทธาเช่นนี้ก็มีประโสดาบันนี่ก็เป็นตัวอย่าง เราเป็นผู้มีศรัท ธ, ธามั่นคงในพระัตนาใจเขาพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ทีนี้เพื่อไม่ให้ท่านลำบากใจนะครับในกรณีที่ทายาธรรมของท่านอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติบินในห้ามภิกษุไปบินถบาทที่บ้านของพระอาดิยะบุคคลท่ารู้่นะครับนอกจากจะได้รับนิมนต์เพราะงั้นเป็นวัดอันหนึ่งของอาคันทุกะที่ไปพักในที่ไหน สมัยโบราณนะครับจะต้องถามพระเจ้าถิ่นว่ามีบ้านไหนบ้างที่เป็นบ้านของพระเสกขะพระเสกขาคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านท่านห้ามไม่ให้ไปบินธบาตในบ้านของท่านเช่นนั้นถ้าไม่ได้รับนิมิตยกเว้นแต่ได้รับนิมิตเพราะว่าท่านเป็นผู้เตรี่ยมไปด้วยศรัทธาทีนี้นถ้าเผื่อท่านไม่มีของท่านจะลําบากใจ ถ้าได้รับนิมนต์ก็ไปได้อย่างบ้านของนางวิสาขาบ้านของท่านอนาถปิฎกเพระฉะนั้นท่านเป็นพระอริยบุคคลที่มีทรัพย์พอที่จะเจริญได้ทั้งแก่คนยากจนทั้งแก่พระสงฆ์ทีนี้ก็เลื่อนต่อไปเรื่องเรื่องศรัทธาศรัทธานำไปสู่การเข้าถึงสัจจะศรัทธานี้จะนำไปสู่การเข้าถึงสัจจะเพราะเหตุที่บุคคลเมื่อมีศรัทธาแล้ว ก็มีการเข้าไปคบหาเข้าไปคบหาผู้มีศีลมีธรรมเข้าไปคบหาผู้มีศีลมีธรรม ท, ทีนี้ก็เมื่อเข้าไปคบหาแล้วก็เงี่ยโสดลงสดับธรรมแล้วก็ทรงธรรมไว้ยอมพิจารณาธรรมเห็นอัตถอความหมายแห่งธรรมต่อจากนั้นยอมเกิดฉันทะอุสา ห, าหาคิดทบทวน เทียบเคียงทำลงมือทําความเพียรทุ่มเทจิตใจลงไปจะเห็นแจ้งซึ่งปรมตรัตย์สัจจะหรือความจริงอย่างสูงด้วยปัญญาเกยงเท่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ยังรู้สัจจะเรียกว่าสัจญานุปถถูเป็นผู้ยังรู้สัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงสัจจะต่อเมื่อมีการเสพ มีการเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นแหละที่ว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะเรียกว่าสัจจานุปัตติไยกว่าศรัทธานำเข้าไปสู่สัจจะอันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มสิบสามข้อหกร้อย้าสิบเจ็ดทีนี้ก็สำหรับคนสามัญทั่วไปนะครับศรัทธาในพระศาสนา หรือว่าศรัทธาในคําสอนที่ถูกต้องก็จะเป็นเหตุหรือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะชักนาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสงค์ได้ว่าอาจไปได้เร็วกว่าผู้ที่มีปัญญามากแต่ว่ามัวลังเลอยู่แต่ผู้ที่มีปัญญานี่จะต้องไม่ลังเลมากเกินไปถ้าลังเลมากก็จะทำให้ ชักชาไม่รู้จะไปทางไหนการมีตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกับปริวานบริวานานี้มีศรัทธาแน่วแน่ดิ่งลงไปในพระสัส ด, สดาและพระธรรมเราฝังธรรมแล้วก็สาเร็จอย่างรวดเร็วแต่พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากสําเร็จทีหลังเพราะว่ามัวลังเลจุเพราะว่าสงสัยมาก แต่เมื่อสําเร็จแล้วผู้มีปัญญามากก็จะสามารถทําประโยชน์ได้มากกว่าผู้ที่อาศัยศรัทธาเป็นอย่างเดียวความลังเลสงสัยในแปรต้ตรานใจเป็นต่อหรือตะปู่ตรึงใจแต่ละอย่างดังที่พระพุทธเจ้าได้จะเอาไว้นะครับว่าเภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังถอนต่อหรือตะปู่ตรึงใจให้อย่างไม่ได้ จะถึงความไพ่ปูนงอกงามในพระธรรมวินัยไม่ได้ก็คือเกรืออแครงสงสัยไม่โปรงใจไม่เริ่มใสแนบสนิทในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบในการศึกษาแล้วก็โกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งกรดด่างเหมือนต่อที่เกิดขึ้นในใจในเพื่อนพรมมจารี เมื่อเป็นเช่นนี้เธอย่อมจะไม่น้อมใจไปเพื่อความเพียนเพื่อการฝึกลนอบรมตนอย่างนี้ชื่อว่าอย่างสลัดทิ้งต่อในใจหรือตะปู่รึงใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อความที่พระเจ้าจะซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองข้อสองร้อยยี่สิบแปดนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่ท่านสอนให้เชื่อโดยไม่ต้องใช้ปัญญาปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญที่ต้องมีเพื่อควบคุมศรัท ธ, ธาให้เป็นไปอย่างถูกต้องศรัท ธ, ธาที่ถูกต้องได้อาศัยปัญญาเป็นที่เกาะ mm. ก็จะให้สำเร็จประโยชน์เป็นอริยศัพท์ศรัท ธ, ธาจึงเป็นทรัพย์เพื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของคนในโลกนี้เป็นพื้นฐานให้เกิดทรัพย์ภายนอกที่บริสุทธิ์อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงควรปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจถ้าไม่มีศรัทธาเป็นพื้นใจอยู่อากุโลรธรรมอย่างอื่นเขาจะเข้ามายึดครองเปรียบเหมือนพื้นที่นะครับเต่เมือพื้นที่ถ้าเขาไม่ปลูกพืชที่เป็นประโยชน์เอาไว้เจาะกอนวัดจะพืชอย่างอื่นก็ย่อมจะงอกงามขึ้นมาทาให้เสียพื้นที่ไปเปล่าเปล่า นี่ก็ตอบไปถามต่อไปว่าอะไรที่ประพฤตินำสุขมาให้อะไรที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้พระวิชา้รัะตอบ ว, ว่าทมที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้คือว่าเรามักได้ยินคนบนกันเสมอนะครับว่าทำใหม่ชีวิตเขาจึงไม่มีความสุขเราไปที่ไหนก็มักได้ยินแต่คนบนเรื่องทุกข์ให้ฟังใครที่มีจิตใจอ่อนโยนเมตตาการุณาฟังความทุกข์ของคนอื่น ด้วยความตั้งอกตั้งใจก็มักจะได้รับความรักใคร่นิยมนับถือจากผู้อื่นซึ่งมาเล่าเรื่องทุกข์ให้ฟัง